อย่างไรก็ตามพึ่งสังเกตว่าภาวิตัรนี้นิยมใช้เฉพาะในคาถาคือในคำร้อยกรองเท่านั้นไม่นิยมใช้ในความร้อยแก้วทั้งนี้คงเพราะเป็นคำสั้นๆใช้ในคาถาได้สะดวกและสามารถแทนคำยาวๆที่ลงในคาถาได้ยากในทางตรงข้ามภาวิตัรที่เป็นคำสั้นนี้ไม่นิยมใช้ในความร้อยแก้ว คงเพราะให้ความหมายได้ไม่ชัดนักเมื่อในความร้อยแก้วไม่มีข้อจำกัดเชิงฉันทลักก็จึงนิยมใช้คำที่แม้ยาวสักหน่อยแต่ให้ได้ความชัดไปเลยเมื่อเรื่องเป็นอย่างนี้ก็ถามต่อไปซิียเลยว่าถ้าอย่างนั้นในความร้อยแก้วท่านใช้หรือนิยมใช้คำอะไรแทนคำว่าภาวิตั์ตรงนี้แทนที่จะตอบเองก็ขอยกคาอธิบายในพระไตรปิฎกมาให้ดูและพิจารณาเอง คือในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบจุลานิเทศซึ่งถือกันมาว่าเป็นนิพนธ์ของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอัครสาวกอันอธิบายความในพระสูตรของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งในสุตตานิบาตพอดีว่าก็มีข้อความที่ท่านอธิบายคำว่าภาพิตต์ที่มาในคาถาในสุตตานิบาตนั้นคือในคำทูลถามของเมตกูมานกที่อ้างถึงแล้วข้างต้นจึงขอยกมาให้ดูดังนี้ เพื่อให้ชัดขอยกคำบาลีเดิมมาให้ดูด้วยบาลีว่ากระถังพะควาภพาวิตตะโตพะควาภพาวิตะกาโยพาวิตะศีโลพาวิตะจิตโตพาวิตะปัญโยพาวิตะสติปัฏฐานโนพาวิตะสัมมัปปัฏฐานโนพาวิตะอิทธิปาโทพาวิตินทรโยพาวิตตะพโล พาวิตาพ่ชังโคพาวิตามัคโคพรหีนกิเลโสปฏิวิทากุปโปสัจจิกตะนิโรโธพึ่งดูคำแปลที่รักษาศัพท์ดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพาวิตาคือพัฒนาพระองค์แล้วอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพาวิตากายทรงจเจริญกายแล้ว มีกายที่ได้พัฒนาแล ko ้วภาวิตศีลทรงเจริญศีลแล้วมีศีลที่ได้พัฒนาแล้วภาวิตจิตทรงเจริญจิตแล้วมีจิตที่ได้พัฒนาแล้วภาวิตปัญญาทรงเจริญปัญญาแล้วมีปัญญาที่ได้พัฒนาแล้วมีสติปัฏฐานมีสัมมปทานมีอิทธิบาทมีอินทรีย์มีภะละ มีโพชฌงมีมัจที่ได้เจริญพัฒนาแล้วทรงละกิเลสแล้วทรงแทงตลอดอากุปธรรมแล้วมีนิโรธอันทรงทำให้แจ้งแล้วจุดที่เน้นก็คือพระสารีบุตรอธิบายความหมายของคำว่าภาวิตตว่าคือภาวิตตกายภาวิตตศีลภาวิตตจิตและภาวิตตปัญญาคราวนี้ก็มาดูปุถุพ์ คือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเองในข้อความร้อยแก้วที่ตรัสถึงภาวิตรสีที่ถือว่าขยายกระจายออกไปจากภาวิตัรนั้นยกมาพอเป็นตัวอย่างในอนาคตสูตรที่สอังกุตรณนิกายปัญจการนิบาตมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยคือภัยในอนาคตหประการนี้ ยังไม่ได้เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จากบังเกิดในการต่อไปภัยเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้ครั้นตระหนักทันการแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยเหล่านั้นอนาคตภัยหประการเป็นไนก่าวคือในการอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ใช่พาวิตากายคือไม่ได้พัฒนากาย มิใช่ภาวิตศีลคือมิได้พัฒนาศีลมิใช่ภาวิตจิตคือมิได้พัฒนาจิต shattered shattered. มิใช่ภาวิตปัญญาคือมิได้พัฒนาปัญญาภิกษุเหล่านั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายมิได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จักเป็นอุปัชฌาให้อุปสมบทคนอื่น และจักไม่สามารถแนะนำผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญาแม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นก็จักเป็นผู้ไม่ใช่ภาวิตกายคือไม่ได้พัฒนากายไม่ใช่ภาวิตศีลคือไม่ได้พัฒนาศีลไม่ใช่ภาวิตจิตคือไม่ได้พัฒนาจิตไม่ใช่ภาวิตปัญญาคือไม่ได้พัฒนาปัญญา เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายมิได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จักเป็นอุปชาให้อุปสมบทคนอื่นๆและจักไม่สามารถแนะนำเหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้นในอธิศีนในอธิจิตในอธิปัญญาแม้เหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทนั้นก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตากาย ม่ใช่ภาวิตศีลไม่ใช่ภาวิตจิตไม่ใช่ภาวิ ต, ต, วตปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แลเพราะธรรมเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมก็เลอะเลือนภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนั้น อันเธอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้ครั้นรู้ตระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นเสียอีกประการหนึ่งในการอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ใช่ภาวิตากายคือไม่ได้พัฒนากายไม่ใช่ภาวิตาศีลคือไม่ได้พัฒนาศีลไม่ใช่ภาวิตาจิตคือไม่ได้พัฒนาจิตไม่ใช่ภาวิตาปัญญา คือมิได้พัฒนาปัญญาภิกษุเหล่านั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายมิได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จักให้นิสัยรับเป็นอาจารย์แก่เหล่าภิกษุอื่นและจักไม่สามารถแนะนาเหล่าภิกษุที่ถือนิสัยเป็นสิทธนั้นในอธิศีนในอธิจิตในอธิปัญญาแม้เหล่าภิกษุที่ถือนิสัยเป็นสิทธนั้น ก็จักเป็นผู้ไม่ใช่ภาวิตากายไม่ใช่ภาวิตศีลไม่ใช่ภาวิตจิตไม่ใช่ภาวิตปัญญาเหล่าภิกษุที่ได้ถือนิสัยนั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายมิได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จักให้นิสยัยรับเป็นอาจารย์แก่เหล่าภิกษุอื่นแลจักไม่สามารถแนะนําภิกษุเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิต ในอธิปัญญาแม้เหล่าพิสุที่ได้ถือนิสัยนั้นก็จักเป็นผู้ไม่ใช่ภาวิตากายมิใช่ภาวิตศีลมิใช่ภาวิตจิตมิใช่ภาวิตปัญญาพิสุทั้งหลายด้วยประการะนี้แหลเพราะทมเละเลือนวินัยก็เละเลือนเพราะวินัยเละเลือนทำก็เละเลือนพิษุทั้งหลายอนาคตภัยข้อที่สองนี้ ยังไม่ได้เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จากบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนั้นอันเถอทั้งหลายพึงตรหนักรู้ไว้ครั้นรู้ตระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นเสีย